น่าบันทึกไว้อีกประการหนึ่งสติอันเป็นอัตโนมัติเห็นสภาพจิตต่างๆทั้งวันทั้งคืนนั้นทำให้รู้สึกเหมือนได้ตัวต่อจิ๊กซอของอนัตตาพมามากขึ้นเรื่อยๆจนใกล้ครบตระหนักว่าแม้อกุศละจิตหรือทุกขเวทนาก็เป็นสิ่งจำเป็นต้องเห็นไม่อย่างนั้นจะขาดตัวเปรียบเทียบว่าจิตนี้เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเป็นอนัตตามีเหตุให้เกิดสภาพเช่นนั้น แล้วต้องถึงเวลาแปรปรวนเป็นอื่นเกิดแล้วเปลี่ยนเกิดแล้วเปลี่ยนหาความจีรังยั่งยืนให้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนถาวรไม่ได้สักดวงเมื่อเห็นความเกิดดับของภาวะทั้งหลายอย่างแจ่มชัดเองโดยปราศจากความตรึกนึกมากเข้าบางครั้งจิตก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งให้ความรู้สึกว่างเปล่ากว้างใหญ่ครอบทั่วขอบเขตกายใจไม่เหมือนเป็นชายหรือหญิงไม่เหมือนเป็นมนุษย์ ไม่เหมือนเป็นบุคคลแต่เป็นแค่สภาพรู้ว่ากายอยู่ในอิริยาบถใดหรือสภาพรู้ว่าเกิดอาการชนิดใดขึ้นกับจิตที่ปราศจากชื่อปราศจากความมั่นหมายว่าตนเป็นหรือไม่เป็นใครพูดให้ง่ายคือตัวฉันไม่มีมีแต่กายกับจิตปรากฏเป็นขณนะขณนะความว่างยิ่งแจ่มชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนกว้างและว่างหายมากขึ้นเท่านั้น กระทั่งตีสีของวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิตามปกติเมื่อสติดำเนินเป็นอัตโนมัติเห็นลมหายใจเกิดดับจิตคลายจากความยึดมั่นเข้าถึงความว่างจากอุปาทานกระทั่งกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างชนิดนั้นเนิ่นนานพอถอนออกมาก็บอกตัวเองว่านั่นเป็นรสล้าลึกน่าพิศวงจึงทาเหตุเข้าสู่ความเป็นเช่นนั้นใหม่ คือพิจารณาลมหายใจเข้าออกอันละเอียดสุขุมโดยความไม่ยึดมั่นเพื่อให้ถึงความว่างจะอุปาทานคงที่และกลืนเป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นอยู่กับความว่างนั้นอีกยิ่งทรรมก็ยิ่งชำนานแม้ระหว่างวันพอนึกขึ้นมาทาเหตุที่ถูกทางเข้าสู่สภาพว่างความว่างก็มาเยือนอีกและอีกกระทั่งสองสาวันต่อมา ฉันเริ่มฉูกใจเมื่อเห็นสติเริ่มไม่ค่อยทํางานกับภาวะที่เป็นปัจจุบันคอยเฝ้ารอแต่ว่าเมื่อใดจะถึงจังหวะเหมาะหลีกเร้นจากภาระหน้าที่มีกําลังจิตพร้อมจะสร้างเหตุแห่งความว่างไปไปมามาฉันก็ไหวทันว่ากําลังติดใจภาวะว่างทิมเทีย ม, มเข้าให้แล้วความว่างแบบเนี้ยเริ่มเกิดขึ้นจากการเห็นความเกิดดับก็จริงแต่มีความจงใจกระทําจิต ให้คล้อยเข้าสู่กระแสะความว่างอันมั่นหมายไว้แล้วและแช่ติดอยู่กับภาวะเช่นนั้นโดยไม่มีสติรู้ว่าเป็นเพียงอีกภาวะหนึ่งของจิตที่ต้องแปรปรวนไปฉันระบายยิ้มอ่อนๆกับดักมีมากเหลือเกินบางทีมาในแบบของแถมระหว่างทางที่ถูกต้องนั่นเองฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ไปติดใจในภาวะอันเป็นผลที่ถูกโดยขาดสติรู้ว่า นั่นเป็นเพียงภาวะจิตอย่างหนึ่งไม่ควรยินดีไม่ควรฝากจิตฝากใจไว้กับภาวะนั้นอันเป็นเหตุให้เกิดความอ้อยอิงอาวร์เป็นตันหาอันละเอียดเป็นต้นต่อให้ต่ออุปาทานขันห้ายืดยาวไปอีกยังดีที่แม่นหลักการขึ้นใจและสำรวจสังเกตตามแนวอริยสัจสี่อยู่เสมอฉันท่องไว้ว่าความอ้อยอิงอาวร์แม้สภาพอันประณีตสุขขุมก็คือตันหา เป็นอริยาาสัจข้อสองที่ต้องละไม่ใช่ส่งเสริมฉันยังกำหนดเข้าสู่ความว่างอันให้รถวิเวกลึกซึ้งนั้นเป็นครั้งเป็นคราวแต่เข้าอย่างรู้ว่าเป็นภาวะจิตหนึ่งมีให้อาศัยระลึกว่าไม่เที่ยงมีให้อาศัยเปรียบเทียบกับภาวะจิตที่ไม่ว่างคือรู้ว่าว่างหายเป็นอย่างไรกลับจากความว่างหายคืนสู่ความมีความเป็นมีความหนาทึบจับต้องได้ของกาย หลายครั้งเข้าก็เกิดความรู้ชัดว่าสภาวะจิตทั้งว่างกับไม่ว่างนั้นมีลักษณะต่างกันแค่ไหนอย่างไรเท่านี้ก็ไม่มีอาการติดใจหรือจมไปกับความว่างหายอีกแล้วหลักการที่จะไม่หลงก็วนเวียนอยู่แค่นี้เองเปรียบเทียบให้เห็นความต่างตามจริงยอมรับทุกสภาพเท่าที่มันปรากฏสำคัญคือเมื่อเกิดภาวะใหม่โดยเฉพาะที่ดีๆแล้ว จะเกิดความติดใจโดยไม่รู้ตัวเท่านั้นถ้าแม่นหลักการและคอยสำรวจตรวจสอบก็คงไม่มีปัญหาอะไรก้าวหน้าแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงติดกับดักไหนๆเลยวันอาทิตย์เมื่อมีโอกาสอยู่กับบ้านปิดห้องภาวนาทั้งวันหลังจากเดินจงกรมได้เกือบชั่วโมงก็รู้สึกว่าจิตมีมหากำลังมหาสติมหาปัญญายิ่งใหญ่ แต่ละก้าวแต่ละกระดิกแบ่งแยกกันเป็นขณะขณะชัดกริบเพราะสติรู้คงที่ต่อเนื่องแทบไม่มีพวังแทรกขั้นความเคลื่อนไหวของกายจึงเหมือนช้าลงและถูกรู้ออกมาจากสุญยากาศอันปราศจากอัตตาของจิตผู้รู้ฉันเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าภาวะรู้เห็นกายใจอย่างเต็มที่เกิดขึ้นแล้วสมควรจะทาอะไรต่อ ก็ได้คำตอบจากพชนชงเจทันทีว่าความวางเฉยต่อสภาพรู้ตั้งมั่นยังไม่บริบูรณ์เพราะถ้ามีความวางเฉย ย, ยังบริบูรณ์ยอมรู้เฉยเฉยเรื่อยไปโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจะต้องทำอะไรต่อการวางเฉยในขั้นนี้ก็อาศัยการยอมรับสภาพสงสัยเหมือนบันไดขั้นแรกๆกนั่นเองเพียงแต่คราวนี้พิเศษกว่าขั้นแรกๆ ตรงที่ผลทางอาการแห่งจิตนั้นต่างกันลิบลับเพราะสภาพสงสัยผุดขึ้นน้อยเท่าน้อยยิ่งกว่าความบางของใยแมงมุมที่ลอยแผ่ลงตกกระทบผิวน้ำใสแจ๋วความรำคาญอันเกิดจากการเห็นเส้นใหญ่นั้นก็แผ่แสนแผ่จนเรียกว่ามีเหมือนไม่มีแต่เมื่อสามารถยอมรับสภาพเล็กน้อยยิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้เห็นสภาพเล็กน้อยยิ่งที่ถูกรู้นั้นสลายลงตามธรรมดา ผลคือความบริบูรณ์แห่งอุเบกขาวางเฉยตัวปราศจากความไหวติงแม้แต่เงาความคิดทาพลงมาอย่างพื้นจิตก็รู้โดยไม่หลงสำคัญไม่หลงเต็มใจยินดีให้เงาดังกล่าวอาศัยอยู่เพื่อความเจริญขึ้นของอุปาทานว่าเป็นตัวฉันความวางเฉยยอมรับตามจริงขนาดแท้นั้นหาใช่เกิดขึ้นกับฌานหาใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับจิตดีๆ แต่เกิดขึ้นกับจิตธรรมดารรมดาทั่วไปที่มีสติประกอบอยู่รู้ว่าจิตก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งอย่างที่โขดหินทะเลแสงแดดและระลอกลมทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติต่ตางๆตามประเภทของตนไม่มีความหวังให้จิตปฏิวัติเป็นอะไรที่นอกเหนือไปจากธรรมชาติที่มันกําลังเป็นเหมือนนั่งมองทะเลโดยไม่เคยปรารถนาให้ธาตุน้าแปรเป็นธาตุอื่นที่วินาทีนั้นมันไม่ใช่ ภาวะของจิตที่ไม่มองไปข้างหลังไม่หวังไปข้างหน้านั้นสุขพอแล้วถึงแม้มรคผลไม่มีจริงแต่ความสุขระดับนี้ก็ทำให้ฉันไม่ผิดหวังแล้วเห็นว่าคุ้มแล้วกับการลงทุนลงแรงในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา